มีเวลาเ้านาทีช่วงนี้หลวงพ่อขอโทษพวกเรานะหลวงพ่อหาระเยอะมากเลยออกไปข้างนอกกปจะกลับมาตึกๆทุกวันเช้ารีบมาก็ไม่มีแรงสู้พวกเราพวกเราเยอะหนึ่งต่อร้อยเนี่ยสู้ยากนะร0อยคนก็ร้อยกิเลส มีเวลา8นาทีนะัเราพูดธรรมะให้จบก็ได้นาทีหนึ่งก็พูดจบได้คือเราศึกษาธรรมะนี่เราศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์เสศาสนาพุทธเนี่ยศึกษาเสร็จแล้วเราจะพ้นทุกข์นี้เราจะพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องมาเรียนรู้รเรื่องทุกข์ความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราก็เลยต้องมาเรียนที่กายกับใจ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 พอเราเห็นความจริงของกายของใจมันจะวางความยึดถือกายยึดถือใจนะเข้าถึงธรรมะที่บริสุทธิ์ล้วนๆนะี่คือนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนิพพานไม่ใช่สิ่งที่ต้องเที่ยวสแสวงหาไปเรื่อยๆยิ่งเราไปเที่ยวสแสวงหานิพพานเราจะไม่เจอนิพพานแต่เมื่อไร่จิตของเรามีปัญญาหยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาจิตของเราทําหน้าที่รู้ลูกเดียวเลยนะ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 ครั้งที่4รู้แจ้งสี่ <c oughs> ครั้งนึ่งคราวนี้จิตมันจะอัตโนมัติมันจะไม่เกาะเกี่ยวในกายในใจนี่อีกแล้ว <c oughs> จิตจะเข้าถึงภาวะที่กว้างขวางไรขอบไรเขตนี่เพิ่งเจอภาษาบาลีนะท่านเรียกว่าวิมะริยาทิกัดต้องพูดช้าๆเพราะว่าเรียกยากชมัดเลยภาษาบาลีเรียกวิมัตวิมริยาทิกัดสภาวะของจิต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 งั้นพอเรารู้สภาวะรู้เท่าทันจริงๆิจิตไม่ไปปรุงต่อนะความทุกข์ไม่มีในใจเรานี่เรียนรู้มากเข้ามากเข้านะจนวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจได้เห็นไะห ม, มจบแล้วเนาะมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนาะครบถ้าประโยคเดียวก็ได้นะอย่างโลวงปูทาบอกมีสติรักษาจิตประโยคเดียวก็คุมหมดละ หลงูดดูลบอกดูจิตสั้นจุดจเลยดูจิตถ้าเซนสั้นยิ่งกว่านี้อีกจบแล้วธรรมะนะพูดให้ยาวสามวันสามคืนก็ได้นะพูดให้สั้นสุดๆถไม่มีคำพูดเลยก็ได้แล้วแต่สติปัญญาของคนฟังสติปัญญาแก่กล้ามากแล้วฟังสั้นๆเข้าใจปล่อยวางได้ สติปัญญาอย่างน้อยต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกไปเรื่อยๆจนใจมันเห็นความจริงมันอยู่ที่ความเข้าใจเท่านั้นถ้าเข้าใจ้วนะมันเข้าใจนะคนโบราณตั้งเก่งนะมันเข้ามาถึงใจเลยไม่ใช่เข้าสมองหรือ <c oughs> เข้าไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าเข้าใจซะเท่านั้นเองใจจะวางแล้ง่ายมากเลยแปดโมงพอดีจบหนึ่งกันละนะ นิมนต์ครับองค์ไหนจะฉันนิมนต์อ่ะชเชินโยมไปทานข้าว